64. โรคุตรธรรมเป็นเรื่องของคนที่ทำได้ทุกยุคสมัยมาช่วยกันส่งเสริมการศึกษาจัดการกับตนเองศึกษาให้เกิดโรคุตรธรรมให้มีผลกันเถอะจะได้แก้นิสัยวิสัยอนุสัยของคน แล้วจะประสบผลสำเร็จไปได้ตามที่เราต้องการอยู่ขณะนี้ได้อย่างไม่น่าเชื่อเระกุศลรธรรมเป็นไปได้เป็นเรื่องดีจริงไม่ใช่เรื่องลึกลับดังที่หลงเข้าใจผิดกันอยู่ไม่ใช่เรื่องเกินวิสัยคนที่จะเป็นได้ไม่ใช่เรื่องยากเลย ถารู้ทฤษฎีของพระพุทธเจ้าอย่างสัมมาทิฏฐิเพราะมีขั้นต้นขั้นกลางขั้นปลายเริ่มการตั้งแต่ปราพฤษสินห้าอย่างสัมมาทิฏฐิแล้วจะเกิดมรรคผลที่สัมมาทิฏฐิเป็นโรกุตระ จ, จริงๆแล้วจะแก้นีสัยได้ยริงดีขึ้นเรื่อยๆไปตามลำดับ ซึ่งเป็นโรคอุตระ ร, รมจริงๆแต่สามารถแก้ได้ด้วยทฤษฎีของพระพุทธเจ้าทำได้ทุกยุคทุกสมัยขอให้สัมมาทิฏฐิเป็นสำคัญนิสัยสามารถแก้ไขได้ง่ายกว่าความเป็นวิสัยจึงจะต้องรีบแก้ยามัมปล่อยปละละเลยมันเป็นอันขาด ปล่อยปลาละเลยนิสัยมันจะก้าวหน้าไปไม่หยุดเพราะนิสัยมันเดินทางด้วยอาศัยไปเรื่อยๆสู่ความเป็นวิสัยแน่นอนและสังสมลงเป็นอนุสัยจริงๆยิ่งเป็นอนุสัยที่เลวร้ายโลกก็มีเหตุนิทานสมุทยัยปัจจัยร้ายเลว เป็นอีทัพปัจจยตาต่อไปเป็นความจริงที่แก้ยากขึ้นเรื่อย